ส <Book> <47. S 3> ี่สิบเจ็ดนารบยดการเตรียมตัวเดินทางชิ้นนืประยะนัง ก, กุรกูแตา่ยาราบดมคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วนุวเวมันสูตรเกสนี้สัดดาลิอย่าลืมอะไรนะ มีดีมัดชิปโววดคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่มีก๊อกกป๋ดสูทเกสกาวลอย่าลืมหนังสือเดินทางนะมีพาสปอรต์ตนี่มัดชิดปโววดอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะมีตั๋วต่นี่มัดชิดปโววดอย่าลืมเช็คเดินทางนะ มีท r เวลเลอร์ชั้นเลนิมาร์ชพววดดูเอาครีมสันแทนไปด้วยนะมีโต๊ะปดกะซันแทนโลชั่นนี่ตีสกลเลนดีเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะมีซันกลาสุลี่ตีสกลเลนดีเอาหมวกกันแดดไปด้วยนะมนีท็อปปนี่ตีสกเลนด คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมมีรู้โรดแมพนิติสกัละลาลันกูตูนาระคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมมีรู้ทราเวลไกด์นิติสกนิเวลาลันกูตูนาระคุณจะเอาร่มไปด้วยไหมมีรู้กอดูกลนิติสกเวลาลันกูตูนาระอย่าลืมกางเกงเสือ้อและถุงเท้านะ pant โล่ช็อกกาโล่ Mario socks ลนี่เทศกว่าลานี่มาร์ชิพโอวดดูอย่าลืม necktie เข็มขัดและเสื้อนอกนะ thigh โล่ belt โล่ Mario sports jacket ที่เทศกว่าลานี่มาร์ชิพโอวัดดู द, อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะไปจ้ามารู nightgown โล่ m a r i T-shirt ล่ะเนี่ยเทศกว่าดมมาร์ว คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูทมีกูชูส andal มาริโอบูทลูืกาวัลซิวสไตคุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกรรไกรตัดเล็บมีกูเช็ติรูมาลูส บ, บูมาริโอเนลคลิปเปอร์สกาวัลซิวส์ไซคุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟันมีกูดูแวนนะ टूथब्रश मरियो, टूथपेस्ट कावल सिवस्ताई